ไม่มีอินทรียร์สังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้ายย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ยึดถือ และยินดียินร้ายดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่ไม่ได้รักษาไม่ได้สํารวมระวังอินรีทั้งหคือตาหูจมูกเลิ้นกายและมนณะคือใจดังกล่าว บุคคลโดยมากย่อมยอนต่อการรักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้หรือว่าโดยปกติย่อมไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ เมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูตลอดจนถึงคิดถึงเรื่องอะไรทางมนโนคือใจยอมจะยึดถือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจนสิ่งที่คิดเป็นต้นนั้นยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วน บางงามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดความยินดีความยินร้าย <c oughs> เกิดอกบาปอกอุศลธรรมทั้งหลาย ไหลลงสู่จิตไหลเข้าสู่จิตก็ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณนคือใจนี้เองสิ่งที่ไหลเข้ามาสู่จิต ก็มาหมักหมมดองจิตตสันดานอยู่เป็นกามาสะวะอาสะวะสิ่งที่ไหลมาดองกิตตสันดานคือกามความใคร่ อวาสวะอาวะคือพอบความเป็นเป็นเราเป็นของเราอาวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาไม่รู้แม่ออาสวะเหล่านี้ กนไหลเข้ามาจากตาหูเป็นต้นดังกล่าวซึ่งเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็เกิดความใคร่ความยินดีก็คือกามนั่นเองแลนะยึดถือก็ยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรา เราเป็นพพซึงเป็นที่ต่างของอาสวะคือความกระทบและแม่เป็นกลางกลาง ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดความดับเป็นต้นก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้แม้ว่าการเห็นการยึดถือความยินดีความยินร้ายเป็นต้นนั้นจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้วแต่ก็ยังตกตะกอนลงมาเป็นอาสวะมาดอง มาหมักหมมจิตตสันดานเป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอยู่เพราะฉะนั้นความมังเกิดขึ้นของอาสวะนั้นจึงมังเกิดขึ้นดังนี้ และในสมมมาทิฏฐิสูตรท่านพระสาริบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่าเมื่อมีสมมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มีความเห็นตรงย่อมจะทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในธรรมะนำมาสู่พระสัทธธรรมคือพระธรรมวินัยนี้ จะละราคานนสัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะจะถอนปฏิคานุใสจะบรรเทาปฏิจะบรรเทาปฏิคานนสใส อนุสัยคือปฏิฆะความพระทบระทั่งจะถอนทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็น จะละอาวิชาทำวิชาให้มันเกิดขึ้นจะกระทำทุกข์ให้สิ้นสุดไปได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับท่านแสดง อนุัยไว้เป็นสีคือราคะปฏิฆะและอัตตมิทิิมานานุัยเรียกสั้นก็คือภาวานุสัยนั่นเองแต่ท่านไม่เรียกว่าภาวานุัย เรียกอย่างเต็มที่ว่าทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะความเห็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นก็ตัวพบนั่นแหละดังที่กล่าวและอาวิชาก็เป็นอันว่าท่านนำเอาอาสวัอนุสัยที่แยกเอาไวน้นี้มารวมกันเขา้า แต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้าแยกออกเป็นสองหมวด้อที่สองของหมวดทั้งสองนั้นจะต่างกันคือเป็นภวาสวะกับเป็นปฏิคาดุัยแต่ก็มีความที่เนื่องถึงการสัมพันธ์กันตัางนีดายที่บายแล้วก็นับว่าเป็นอันเดียวกันได้ แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็นสี่ก็เป็นอันครบถ้วนคือเป็นราคะหรือกามหนึ่งเป็นปฏิฆะหนึ่งเป็นภพหรืออัศมิทิฏฐิมานะหนึ่งเป็นอวิชชาหนึ่งเป็นตัวกิเลสที่ นอนเนื่องหรือนอนจมหมักหมมดองจิตสันดานอยู่ก็เพราะเหตุที่จิตนี้ที่ยังไม่มีจิตภาวนาแม้เป็นธรรมชาติปปพัทธสอนแต่ก็ยังมีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็ยังมีอุปาทานเพราะฉะนั้นเมื่อ อาจตนาภายในภายนอกประจบกันเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงยังมียินดีมียินไ้ายังมีหลงไม่รู้และแม้ว่าความประสบ หังตาหูเป็นต้นความยินดียินร้ายลงไม่รู้ที่บังเกิดขึ้นจะสงบไปเป็นคราวๆและก็ยังนอนจมเป็นตะกรอยู่ในจิตดองเป็นอาสวะนอนเนื่องเป็นอนุสัย แล้วก็เพิ่มคนขึ้นอยู่เสมอต่อเมื่อได้ปฏิบัติในอินทรียสังวรและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือในมักมิองแปดรวมเข้าเป็นเซนเป็นสมาธิเป็นปัญญา รักษาอินทรีย์รักษาจิตมีให้ยึดถือยินดียินร้ายหลงไม่รู้ในเวลาที่ประสบเรื่องประสบอารมณ์ทางตางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจอยู่จึงจะเป็นการปฏิบัติ ที่ไม่เพิ่มราคาอนุัยและเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัตินี้ลึกซึ่งลงไปจนถึงรู้ถึงตัวอาสวะอนุัยคือลึกซึ่งลงไปถึงจิตส่วนลึก อันเป็นที่ตั้งของราคะอนุของของอาสวะอนุสัยก็จะกําจัดอาสวะอนุสัยได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงนั่นแหละจิตนี้จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พร้อมทั้งประพัดสอนคือผุดพอง ประกอบด้วยวิชาวิมุตต์อยู่กับวิชาวิมุตต์ตลอดเวลาดังที่มีพระพุทธภาสิจัดไว้ว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในวิชาวิมุตต์ทรงมีวิชาวิมุตต์เป็นธรรมะเครื่องอยู่ต่อไปนี้ก็ขอให้แต้งดังใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสมาธิธิตามเทราธิบายแห่งท่านพระสาดิบุตรมาโดยลำดับ และได้แสดงอธิบายแต่ละข้อจะได้กล่าวสรุปข้อที่ได้แสดงอธิบายแล้ว ตั้งแต่ต้นจนจบสักครั้งหนึ่งและจะได้แจ้งว่าข้อใดที่ไดแสดงอธิบายมาแล้วและ ข้อใดที่จะแสดงอธิบายต่อไป่ันพระสาทิบุตรได้ประธานเทราอธิบายข้อสมมาทิฏฐิ แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ที่ได้กราบเรียนท่านถามท่านและเมื่อท่านได้แสดงอธิบายหมดหนึ่งแล้วท่านภิกษุทั้งหลายก็ถามต่อไปท่านก็แสดงต่อไปอีกโดยลำดับ และหลักในการตั้งอธิบายของท่าน <c oughs> ก็ตั้งหลักอธิบายตามหลักแห่งอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละ จับตั้งต้นแต่แสดงอธิบายว่าสมมาทิธิความเห็นชอบก็ได้เกิดความเห็นตรงถูกต้องซึ่ง ทำให้ภูมีส ม, มาธิธิได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมนำมาสู่สัจธรรมคือพระธรรมบินันนี้ก็ได้แก่ รู้จักอกุศลรู้จักอกุศลลมูลมูลรากของอกุศลรู้จักกุศลรู้จักกุศลลมูลมูลรากของกุศล รู้จักอาหารรู้จักสมุทัยเหตุเกิดแห่งอาหารรู้จักนิโรธความดับอาหารรู้จักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารรู้จักทุก รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักนิโรธความดับทุกข์รู้จักมักต์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อจากนี้ท่านก็แสดงอธิบายไปตาม หลักปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นย้อนหลังขึ้นมาคือท่านแสดงอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้แก่ รู้จักชารามรณะรู้จักสมุทัยเหตุเกิดชารามรณะรู้จักความดับชารามรณะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชารามรณะและท่านก็ได้แสดง ว่าเหตุเกิดชรามรณะก็คือชาติหันจึงแสดงต่อไปว่ารู้จักชาติคือความเกิดรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดชาติรู้จักความดับชาติรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ สมุทยัยเหตุเกิดแห่งชาตินั้นก็ได้แก่พบทันจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักพบรู้จักสมุทยัยเหตุให้เกิดพบรู้จักความดับพบรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับพบ และสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งภพนั้นก็ได้แก่อุปาทานท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักอุปาทานรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทานรู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็สมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทานนั้นก็ได้แก่ตัณหาท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักตัณหารู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดตัณหา รู้จักความดับตันหารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตันหาก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดตันหาก็ได้แก่เวทนาท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักเวทนารู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดเวทนารู้จักความดับ เวทนารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดเวทนาก็ได้แก่สัมผัสหรือผัสสะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักผัสสะ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดผัสสะรู้จักความดับผัสสะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดผัสสะก็ได้แก่สลายตนะคืออาญตนะทั้งหกท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จัก อายตนะทั้งหรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอายตนะทั้งหกรู้จักความดับอาสวะทั้งหรู้จักความดับอายตนะทั้งหกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้งหกก็สมุทัยเหตุให้เกิดอายตนะทั้งหก ก็คือ น, นามารูปท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักนามารูปรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดนามารูปรู้จักความดับนามารูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามารูปก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดนามารูป ก็ได้แก่วิญญาณท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักวิญญาณรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดวิญญาณรู้จักความดับวิญญาณรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดวิญญาณ ก็ได้แก่สังขารท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักสังขารรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดสังขารรู้จักความดับสังขารรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดสังขาร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 ก็ปฏิจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็สิ้นสุดลงแค่อวิชานี้แต่ท่านพระสารีบุตรเมื่อท่านได้แจกออกเป็นสีในหมวดอวิชชาข้อสองคือเหตุเกิดอวิชชาท่านจึง แสดงอธิบายต่อไปว่าเหตุเกิดอวิชชานันก็ได้แก่อาสะวะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จักอาสะวะรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอาสะวะรู้จักความดับอาสะวะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะและเมื่อท่านเล็กแสดงว่าสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่าอาวิชชานั่นเองเพราะอาวิชชาเกิดอาสวะก็เกิด ก็เป็นอันว่ามนมหาอวิชชาอีก